แม้ชาตินี้เกิดแบบอัตคักขัดสนแต่หากกตันยูกะตะเวทีไม่ช้าก็เร็วจะได้สบายการท่องเที่ยวเกิดตายแบบไร้ต้นไร้ปลายในสังสารวัตนี้มีทั้งรอบขึ้นและรอบลงไม่ต่างจากน้ำขึ้นน้ำลงไม่มีใครสวยสวรรค์ชั่วนิรันต์ไม่มีใครดินรกไม่รู้จักพุดจะเกิด เรื่องหมายของรอบขาขึ้นได้แก่การเป็นผู้มีความกตันยูรู้คุณคนสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความเป็นคนกตันยูกระตเวทีเป็นภูมิสัตว์บุรุษความกตัญยูรู้คุณคนในความหมายแบบที่มีจิตสำนึกจริงๆนั้นไม่ได้มุ่งเอาเฉพาะการตอบแทนพ่อแม่แต่ยังหมายเอาการจดจำได้ว่าใครบ้างที่ดีกับตนใครบ้างที่ช่วยเหลือตน ใครบ้างที่เลี้ยงดูตนซึ่งเมื่อมีจิตสำนึกรู้คุณคนความอยากตอบแทนคุณก็จะตามมาเองแม้เพียงเล็กน้อยเช่นพูดถึงผู้มีพระคุณในทางดีไม่เอาเรื่องไม่ดีไปกลดดาพนธนาถ้าสังเกตคุณจะพบว่าจิตสำนึกชนิดนั้นจะลากพานิสัยอีกหลายประการตามมาด้วยเช่นความรู้จักเกรงใจหรือถึงขั้น ที่เกรงใจความอยากเป็นฝ่ายช่วยเหลือก่อนความอยากมีใจซื่อกับคู่ครองเป็นต้นดูเหมือนเรื่องน่าจะง่ายๆแค่นั้นรู้ๆกันอยู่แต่ในทางปฏิบัติแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนเราเจะไปถึงจุดที่เกิดจิตสำนึกแบบคนดีถึงแม้ชาตินี้ต้องเกิดแบบอัตคัดขัดสนยากจนไร้บ้านไร้การยอมรับ แต่หากแสดงความรู้คุณคนด้วยกายวาจาใจไม่ลืมพ่อแม่ไม่ลืมคนยื่นมือช่วยเหลือก็ย่อมเป็นนิมิตหมายของคนดีคนที่สามารถทําคุณงามความดีอื่นๆได้ไม่จํากัดซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ช้าก็เร็วไม่ระวางมีชีวิตก็หลังตายเขากําลังจะได้สบายพ้นความลำบากยากเข็นไปบาปเก่าในชาติก่อนที่ให้ผลเป็นความเดือดร้อนในชาตินี้ ลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดกุศ ล, ลกรรมตกต่ำแล้วไม่กระแทกพื้นแต่กลับเชิดหัวขึ้นฟ้าไปแทนมายเหตุผู้อ่านการรู้คุณนั้นถ้าจิตยิ่งประนีเท่าไหร่ก็จะยิ่งรู้คุณลึกเข้าไปเท่านั้นนะครับแม้แต่ในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมีคุณอย่างไร ต่ให้เป็นการซื้อข้าวกินเป็นไลเดอร์ที่มาส่งอาหารหรือแม้แต่ขอทานก็สามารถเห็นบุญคุณของสิ่งเหล่านั้นได้เช่นกันนะครับเช่นแมคค้าต้องตื่นมาแต่เช้าต้องทําอะไรมากมายถ้าเขาไม่ขายเราเราก็ไม่มีกินไลเดอร์ที่มาส่งอาหารแม้จะได้เงินแต่เขาก็ต้องตากฝนตากแดดถ้าเขาไม่รับออเดอร์เราสัอย่างเราก็ไม่ได้กินแม้แต่ขอทานมองในแง่ลึกก็มีบุญคุณที่เปิดโอกาสให้เราได้ทําบุญนะครับ ยกตัวอย่างเรื่องในพระไตรปิฎกเศรษฐีผู้หนึ่งถูกคนอาฆาตแค้นเพราะเข้าใจผิดว่าท่านพูดดูถูกตนได้ไปทําลายทรัพย์ของเศรษฐีนั้นถึงเจ็ครั้งแต่ก็ยังรู้สึกไม่หายโกรธพอทราบว่าเศรษฐีได้สร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้าและมีความรักความภูมิใจในกุฏินี้อย่างมากจึงได้แอบเข้าไปเผากุฏินั้นเมื่อเศรษฐีได้ทราบเรื่องก็ตบมือด้วยความยินดีอย่างยิ่งคนทั้งหลายสงสัยก็ถามได้ความว่า ที่ดีใจอย่างมากนั้นก็เพราะว่าจะได้สร้างถวายใหม่อีกครั้งและรู้สึกขอบคุณจนผู้นั้นอย่างยิ่งเพราะโอกาสจะสร้างกุติให้พระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากทำได้ยากมีโอกาสได้ยากถ้าเขาไม่เผาเศรษฐีก็ไม่ได้ทาบุญครั้งใหม่ซึ่งเป็นบุญที่ใหญ่มากเมื่อสร้างกุติใหม่ถวายพระพุทธเจ้าเสร็จก็เป่งวาจาอุทิศส่วนกุศลให้แก่จนผู้นั้นขอให้ได้รับบุญนี้ก่อนผู้อื่นใดทั้งปวง จะเห็นได้ว่าการกรตันอยู่รู้คุณนั้นที่จะมีอา น, นิสงส์มหาศาลและออกผลเร็วได้จริงนั้นไม่ได้จํากัดแค่การรู้คุณของผู้มีคุณที่มองเห็นได้ชัดเท่านั้นยิ่งจิตละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความดีได้มากส่งผลเป็นพลังบุญนั้นยิ่งใหญ่ได้มากขึ้นแสดงถึงเมตตาจิตที่หนานแน่นขึ้นและพลังแห่งเมตตานี้เองที่สามารถดึงดูดคนดีสิ่งดีๆเข้าหาได้โดยง่ายนะครับไปไหนอยู่ไหนจะทําการค้าขายอะไร ก็มีแต่คนดีเข้ามาเมตตาเอ็นดูสนับสนุนได้โดยง่ายจะดึงดูดให้คนดีรู้สึกดีเมื่อได้พบเห็นและใกล้ชิดส่งผลเป็นชีวิตดีๆอีกหลายด้านต่อมาได้ง่ายขึ้นยังไม่นับกับว่าจิตที่เปลี่ยมเมตตานั้นจะทําให้รักษาศีลจเจริญสติทําสมาธิได้ง่ายขึ้นกว่าคนทั่วไปอย่างมากคนที่มีจิตรู้คุณในสิ่งต่างๆได้ง่ายนั้นต่อให้กรรมเก่ามาให้ผลร้ายแรงก็จะไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยกว่าปกติอย่างมาก ทำให้กรรมเก่าส่งผลได้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ